รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่28ไม่เข้าใจทำไมจึงหลงอย่างยืดเยื้อกรณีเฉพาะตนของพินอคิโออาชีพนักเรียนมัธยมลักษณะางานที่ทำไปเรียนและกลับมาอ่านหนังสือทำงานตามที่อาจารย์สั่ง ได้หัดเจริญสติตั้งแต่มสองเพราะเป็นโรคสมาธิสัน้นถ้าไม่พยายามเจริญสติไปนานๆจะไม่ค่อยมีสมาธิอาจทำเรื่องแย่ๆลงไปโดยที่ตัวเองควบคุมไม่ได้และกระทั่งไม่สามารถเข้าสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขคำถามแรกเป็นคนที่เกิดไอเดียใหม่ๆได้ตอนกำลังเคี้ยวข้าวสร้างประโยชน์ให้ตัวเองได้มากและกินข้าวแบบไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่ หรือไม่อีกทีคือเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารไปเลยถือว่าเป็นพวกสติไม่อา จ, จเจริญระหว่างกินข้าวใช่ไหมควรทำอย่างไรถ้าจะให้ได้สติด้วยและได้ไอเดียเหมือนเหมือนเคยด้วยไอเดียเป็นสมบัติแบบโลกโลกชนิดหนึ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่าอั ญ, ญมณีใดๆเพราะไอเดียทำให้ลูกน้องเลื่อนขั้นเป็นเจ้านายได้ทาให้นักวิทยาศาสตร์กลายเป็นนักประดิษฐ์ชื่อก้องโลกได้ ตลอดจนทำให้คนธรรมดาได้ชื่อว่าเป็นอาจฉริยะโดดเด่นขึ้นมาได้ผมจึงอยากให้น้องมองก่อนว่าเมื่อต้องใช้ชีวิตแบบโลกโลกไอเดียไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจแต่เป็นเรื่องน่ายินดีต้อนรับกับทั้งทำความเข้าใจด้วยว่าทางมาของไอเดียอยู่ตรงไหนในชีวิตประจำวันของเราหากสังเกตเราจะพบว่าอิริยาบถของเราเองตลอดจนรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสกระทบทั้งหลาย ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางใจต่างๆกันไปบางคนนั่งเก้าอี้โยกแล้วหัวแล่นบางคนนั่งริมหน้าต่างรถเมล์ให้ลมประทะและมักได้คำตอบให้กับปัญหาที่ทำงานบางคนอย่างน้องเนี่ยก็ได้ไอเดียตอนเคี้ยวข้าวเมื่อใดเคี้ยวข้าวสบายๆแล้วเกิดไอเดียก็ให้สังเกตว่าขณะนั้นเรากาลังนั่งหลังงอหรือหลังตรง ฟันบนกับฟันล่างกำลังบดอาหารช้าหรือเร็วอาหารที่อยู่ในปากมีรสหวานเปรี้ยวเค็มหรือขมค่อยๆดูรายละเอียดไปเล่นๆ เ, เรื่อยๆในที่สุดน้องจะเกิดความเข้าใจว่าอิรยาบทอย่างไรกลิ่นหรือรสแบบไหนที่เป็นตัวการกระตุ้นให้เกิดความคิดแปลกใหม่ขึ้นมา จากนั้นสังเกตอีกว่าขณะกําลังแปลงฟันขณะกําลังสะผมหรือขณะกําลังเดินเล่นจิตของน้องไม่เกิดไอเดียอย่าถามว่าทําไมเพราะอะไรหรือว่ามีปัจจัยอันใดเป็นตัวบันดาลหรือไม่บันดาลให้เกิดไอเดียแค่รับรู้อย่างตรงไปตรงมาตามจริงว่าอิริยาบถใดเป็นหรือไม่เป็นทางมาของไอเดียบ้าง หลังจากเปรียบเทียบไปบ่อยๆจะเหลือแค่ความรู้สึกว่าแต่ละอิรยาบทเป็นคนละตัวกันอิรยาบทหนึ่งปรุงแต่งจิตไปอย่างหนึ่งอีกอิรยาบทหนึ่งปรุงแต่งจิตไปอีกอย่างหนึ่งเท่านี้ก็นับว่ามีสติเห็นกายใจเป็นอนัตตาไม่มีตัวเราอยู่ในกายใจได้แบบอ่อนๆแล้วครับและที่เป็นผลพลอยได้ในแบบโลกๆ ก, ก็คือน้องจะรู้สึกถึงลักษณะจิตที่พร้อมจะเกิดไอเดีย ยิ่งรู้สึกบ่อยขึ้นเท่าใดก็จะจําได้กับทั้งเข้าสู่ภาวะแบบนั้นได้โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยเครื่องกระตุ้นเดิมๆพูดง่ายๆคือเมื่อ น, น้องเกิดไอเดียอย่างมีสติไอเดียจะไหลามาเทมาบ่อยขึ้นเกิดไอเดียแปลกใหม่ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงเค้นคิดเหมือนคนอื่นนี่แหละประโยชน์สองเด้งของการเจริญสตินะครับ ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเอาตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์เสียตั้งแต่วัยนี้ คำถามที่สองชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่รู้ว่าการชอบนั้นไม่เหมาะสมด้วยประการต่างๆทั้งปวงและนับเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะผู้ชายคนนั้นแก่กว่ามากแต่สุดท้ายเมื่อรู้ข้อบุกร้องของตนเองว่าความชอบนั้นเกิดจากสาเหตุใดจึงได้พยายามทําใจออกห่างด้วยวิธีมีสติเท่าทันแต่ก็เหมือนมีอะไรมาชักจูงให้ใจพุ่งออกหาอยู่เรื่อยจนสุดท้ายเริ่มงงตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่กันแน่ บางเรื่องทุกแค่ไหนพอพยายามเจริญสติรู้มากๆเข้าก็เห็นมันเป็นภาวะเกิดดับได้สำเร็จแต่กับเรื่องความรักเนี่ยยืดเยื้อยาวนานเลอเกินหลักง่ายๆที่สังสารวัตรเลี้ยงพวกเราไว้ให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบรู้สิน้นก็คือความติดใจในกามคุณกามคุณเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักวัย ไม่รู้จักความสมควรไม่รู้จักเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมจะรู้จักก็แต่สเสน่ห์หน้าต้องใจของใครคนหนึ่งเท่านั้นอีกประการหนึ่งในวัยเรียนนั้นชีวิตจะไม่มีเรื่องใดท้าทายให้คาดหวังได้เท่าเรื่องแฟนน้องยังไม่มีหน้าที่การงานยังไม่มีเรื่องของลาบยศตำแหน่งหรืออำนาจบารมีมาแย่งความสนใจเมื่อสนใจคนน่าสนใจ ใจจึงพุ่งไปยึดอยู่กับเขาท่าเดียวขอให้ท่องไว้ว่าบุคคลอื่นเป็นของอื่นเป็นต่างหากจากจิตเดิมทีจิตเป็นอิสระจากเขาที่จิตไปผูกยึดที่จิตเกิดความพิศวาตรร้อยรัดหมดสิ้นอิสระภาพได้ก็เพราะความพอใจในการตรึกนึกถึงบุคคลนั่นเองความตรึกนึกเป็นอาหารหล่อเลี้ยงความพิศวาต วิธีแก้ไม่ให้อาการตรึกนึกเกิดขึ้นในจิตเรามีอยู่สามระดับคือหลีกให้ห่างการไม่เห็นไม่ได้ยินคือการลดเครื่องกระตุ้นให้ตรึกนึกซึ่งก็มีผลให้เครื่องร้อยรัดใจเบาบางลงห้ามใจ หากจำเป็นต้องพบเจอก็ต้องรู้ทันกิเลสตัวเองและรู้จักสั่งห้ามไม่ให้เลยเถิดเจริดเปิดเปิงทาจิตเป็นผู้สังเกตหลังจากฝึกยั้งยั้งใจไม่ให้เผลอหลงยึดจิตจะเริ่มมีศักยภาพในการรู้เท่าทันเพียงระลึกว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกถึงอาการทยานอยากแห่งใจ แต่จะไม่เป็นผู้หลงทยานอยากเสียเองเพียงเท่านี้บ่อยเข้าก็จะเป็นผู้อยู่เหนืออำนาจความทยานอยากเสียได้ครับไมมีออะะรรจทท้าเธใ รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่29เจริญสติลดความอ้วนกรณีเฉพาะตนของแพนด้าน้อยอาชีพดีเจลักษณะงานที่ทำทำทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรายการวิทยุส่วนใหญ่จะต้องพูดคุยกับทั้งผู้ฟังและทีมงานเป็นพวกเสียงสวยแต่ตัวกลมนั่งอยู่กับที่มากกว่าไปโน่นไปนี่ ซึ่งบางทีพอขยับตัวจะรู้สึกถึงความเกียดคร้านคําถามแรกฝึกเจริญสติโดยเน้นดูจิตเป็นหลักเริ่มจากเห็นอารมณ์โกรธก่อนว่าโกรธมากโกรธน้อยทําไปทํามาพบว่าไม่ย้ำคิดย้ำพูดด้วยอารมณ์ผูกใจเจ็บเหมือนแต่ก่อนถึงช่วงนี้บางทีรู้สึกเย็นเย็นว่างว่างสบายใจนับว่าเป็นความก้าวหน้ามาถึงขั้นไหน และถ้าเราเห็นภาวะบางอย่างทางจิตแล้วไม่ทราบว่าคืออะไรจะให้ดูเทียบเคียงกับตำราที่ไหนอย่างเช่นถ้าโกรธนั้นรู้ว่าเรียกโกรธรู้ว่าร้อนแต่อยู่ๆพอเหมือนจิตเปลี่ยนสภาพไปเป็นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเป็นเย็นลงบางครั้งเกิดภาวะเหมือนเรากลายเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งบอกไม่ถูกอธิบายความรู้สึกไม่ได้ใจก็สงสัยว่านี่อะไร เน้นดูอารมณ์โกรธก็วัดความก้าวหน้าจากการสังเกตความโกรธนั่นแหละครับถ้าโดยรวมโกรดน้อยลงผูใจเจ็บน้อยลงอย่างนี้ถือเป็นความก้าวหน้าได้แล้วอีกอย่างหนึง่งหากดูความโกรธอย่างถูกต้องตามหลักการเจริญสติของพระพุทธเจ้าคุณจะค่อยๆรู้สึกถึงความแตกต่างแต่ละครั้งบางทีก็โกรธหนักบางทีก็โกรธเบาบางทีก็โกรธนานบางทีก็โกรธสั้น ตามแต่ความแรงของเรื่องกระทบใจและไม่ว่าความโกรธจะแตกต่างกันขนาดไหนในที่สุดก็ค่อยๆเลื่อนหายไปเหมือนกันหมดเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้กระทั่งรู้ซึ้งเข้าไปถึงใจเต็มๆดวงว่าความโกรธเป็นภาวะไม่เที่ยงใจคุณย่อมรู้สึกขึ้นมาว่านั่นเป็นแค่ของชั่วคราวไม่ใช่ตัวคุณไม่ใช่ตัวใครการเห็นความโกรธโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน จัดเป็นความก้าวหน้าขั้นสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเจริญสติแบบดูความโกรธและธรรมดาของผู้รู้ว่าความโกรธเป็นสภาวะไม่เที่ยงในที่สุดจิตย่อมต่างไปจากเดิมในทางใดทางหนึ่งดังเช่นที่คุณกล่าวมาในคำถามเมื่อเกิดอะไรอย่างนี้ขอให้เห็นลักษณะของภาวะที่ปรากฏกับใจนั้นๆให้ได้จริงก่อนที่จะคิดถึงนิยามหรือไปแป ะ, แ ป, ะป้ายว่ามันชื่ออะไร จะเป็นปีติจะเป็นปัญญาจะเป็นฌานหรือเป็นกิเลสระกูนไหนล้วนไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าคุณเห็นลักษณะาภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆชัดไหมเบื้องต้นคุณอาจถามตัวเองว่าลักษณะที่บอกไม่ถูกหรือเรียกชื่อไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นนั้นให้ความรู้สึกอย่างไรสบายหรืออึดอัดมีความรู้สึกในตัวคุณหรือไม่มีความเป็นคุณเจืออยู่ และภาวะเช่นนั้นพลิกเปลี่ยนแปล ร, รูปไปหรือว่าคงที่อยู่นานเป็นต้นเมื่อตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างนี้ใจย่อมหมดอาการครุ้นคิดตั้งชื่อหรือเทียบเคียงกับสับแสงทางตำราแล้วค่อยๆเงียบสงัดจากความคิดและรับรู้ภาวะที่เกิดขึ้นนั้นๆด้วยจิตเต็มเต็มดวงด้วยความเห็นว่าสัตว์แต่เป็นภาวะถูกรู้ไม่เที่ยงและไม่มีตัวเราอยู่ในนั้น จำไว้สั้นๆครับการตั้งมุมมองไว้อย่างถูกต้องจะนำไปสู่ความก้าวหน้าเห็นละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นแต่การติดใจพวงจะนำไปสู่การติดตันเห็นหยาบลงเรื่อยๆ ถามที่สองมีผลอย่างหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังและขอคำยืนยันว่าตรงกับความเข้าใจหรือเปล่านั่นคือมีอยู่สองสมวันที่เห็นความเคลื่อนไหวทางกายและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตเกือบตลอดแต่วันหนึง่งตื่นเช้ามาก็ไม่รู้สึกว่าสติดีเท่าเดิมไม่ว่าจะพยายามเจริญสติเต็มที่อย่างไรแต่สังเกตเห็นว่าตัวเองผอมลงและหน้าตาเปลี่ยนไปและคนรอบข้างก็ทักกันหมด เลยนึกถึงที่คุณดังตรินเคยเขียนไว้ว่ารูปร่างหน้าตาเปลี่ยนได้ด้วยทานศีลภาวนาในชาตินี้แบบไม่ต้องรอนานแปลว่าช่วงสองสามวันนั้นสติดีจนจิตเหลี่ยนพลอยให้กายดูดีขึ้นหรือไม่จริงๆผมไม่อยากให้โยงการเจริญสติเข้ากับผลพลอยได้ทางสุขภาพหรือรูปร่างหน้าตาเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวจะเจริญสติกันด้วยความคาดหวัง แล้วกลายเป็นพลาดจากเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงไปเราจะเริญนสติเพื่อให้ทุบทางใจน้อยลงเป็นหลักไม่ใช่เพื่อให้รูปร่างหน้าตาดีขึ้นเป็นสำคัญร่างกายคนเรานั้นถ้าไม่อ้วนขั้นร้ายแรงนะครับมันพร้อมจะผอมด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วแค่ไม่กินข้าวเย็นอาทิตย์เดียวบางคนแค่หมั่นเคลื่อนไหวทางานหนักขึ้นจนเกิดการเผาผลาญมากกว่าเดิมเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุให้ผอมรูดได้แล้วสำหรับบางคน ผมขอตั้งข้อสังเกตจากที่คุณเล่ามาคือปกติงานประจำที่ทำอยู่เป็นการนั่งนานกระทั่งขี้เกียจเคลื่อนไหวหากคุณจเจริญสติได้ดีห ล, หลายวันก็เป็นไปได้ว่าแทนการแช่จมอยู่กับอาการเอื่อยเฉยจิตอาจตื่นตัวมากขึ้นความสมดุลระหว่างกายใจมีมากขึ้นเป็นผลให้หูตาสว่างและทำงานกระฉับกระเฉงกว่าเดิมนั่นก็น่าจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งให้ส่วนเกินในร่างกายถูกดึงมาใช้เสียที ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณอันจะมีผลกระทบให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงตามนั้นโดยมากไม่ได้ใช้เวลาเพียงสองสาวันแต่ต้องกินเวลายาวและต้องเป็นการปรับเปลี่ยนแบบยกชั้นยกระดับจิตต่างไปจากเดิมจริงๆไม่ใช่ชั่วครู่ชั่วคราวไม่ใช่กลับไปกลับมาตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากจิตแบบหมกมุ่นมืดทึบมาเป็นจิตคลายวางสว่างโล จากสับสนขี้สงสัยเป็นอิ่มเต็มกับคำตอบจากธรรมชาติในตนจากมักโกรธเป็นเมตตาจากสำคัญตนผิดเป็นเห็นกายใจตามจริงว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เราความเป็นบวกทางจิตจะส่งผลเป็นบวกทางกายชนิดที่ต้องโดนใครต่อใครทักแน่นอนครับ อีกนิดหนึง่งสําหรับคนที่เจริญสติได้ดีมีสติได้ทั้งวันแล้วจู่ๆกําลังสติหายไปเฉยๆก็ควรพิจารณาไปนะครับว่าแม้กําลังสติก็ไม่เที่ยงอย่าไปเค้นอย่าไปทวงคืนเพราะความพยายามเค้นสตินั่นแหละคือตัวบั่นทอนสติไม่ให้รู้ความจริงตรงหน้าที่ถูกคือให้ดูไปเท่าที่จะดูได้ว่าสติมันคล้ามัวจิตมันคล้ามัว ดูนิดดูหน่อยให้รู้ลักษณะก็พอแล้วใช้ได้แล้วถือเป็นการสืบสารการเจริญสติแล้วเดี๋ยวสติดีๆก็กลับคืนมาเองบทความโดย<ค>ดังตริน<ค>รจาก<ค> น, นิตยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่48 <ค>สิเสียงอ่านโดยโจโฉ ได้มาเพะเธอจะไรจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอยางให้ลองดูเรื่องกันือการกระทงของเธอในคิดในใจอาจคอยสมผลไร้ไร้อาจลึกลับเสมอคง กับการส่องนกันทอไรทำดีหรือนนันคือกัน